สมาธิเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเป็นการปฏิบัติสมาธิทั้งนั้นพอเราเริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย เราทำด้วยความมีสติก็เป็นการปฏิบัติสมาธิพอเสร็จแล้วเราจะปักลงตรงไหนเราก็มีสติกาหนดว่าเราจะปักลงตรงนี้เวลาไหว้พระอารหังสัมมาสัมพุทโธภักวาเราก็ตั้งใจทำด้วยความมีสติสวดมนต์อื่นๆเราก็มีสติสวดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือปฏิบัติสมาธิ คนทั้งหลายไปเข้าใจว่าสวดมนต์ก็อันหนึ่งปฏิบัติสมาธิก็อันหนึ่งบางทีสวดมนต์รีบสวดเอาสวดเอาจะรีบสวดให้มันจบจะได้รีบไปนั่งสมาธิแบบเนี้ยก็มีแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาอันนี้คือแผนการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องที่สุด ล้ำพังแต่การฝึกสติให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมันจะเป็นการปฏิบัติสมาธิได้อย่างไรมันไปได้ตรงนี้ตรงที่เรานอนลงไปจิตมันคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปเราเอาสติตามรู้ตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเราปฏิบตัติต่อเนื่องไปทุกวันทุกวัน ประเดี๋ยวมันก็ได้สมาธิในเวลานอนคนบางคนนั่งสมาธิไปเจ็ดถึง8ดชั่วโมงจิตไม่สงบสักนิดหนึ่งแต่เมื่อเวลานอนจิตสงบสว่างขึ้นมาได้พระอานน์เดินจงกรมจนเท้าแตกนั่งสมาธิจนเหน็ดเหนื่อยพอนึกว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วจะพักผ่อน พอเอ็นกายลงระหว่างครึ่งนอนครึ่งนั่งจิตมันแวบไปนิดหนึ่งได้สำเร็จอรหันสมาธิที่มันอยู่ลึกๆที่เรียกว่าอยู่ในยานในฌานอะไรสูงๆนั่นนะ่ะตอนนั้นมันเป็นการสร้างพลังแต่เวลามันจะสำเร็จเนี่ยมันอยู่ตื้นๆพอมันแวบไปนิดหนึ่งจิตมันก็ตัดกิเลส ข, ขาดได้สำเร็จอรหัน เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติสมาธิบางคนพูดอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ในจิตในใจเขาเป็นเขาเป็นสมาธิเขามีปัญญารู้ธรรมะเห็นธรรมะแต่เขาพูดไม่เป็นเพราะว่าธรรมะของจริงเนี่ยอยู่เหนือสมมุติบัญญัติก็เหมือนอย่างแม่อาของหลวงพอ่อปฏิบัติแล้วร้องขึ้นมาว่าโอ้ยทำไมใจคนมันจึงลุเป็นไฟได้ทีเนี้ยถ้าคนเรียนหนังสือมา เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นสมาธิขั้นนั้นตอนนั้นเขาจะว่าอย่างนี้แต่นี่แกรู้แต่ว่าทำไมใจคนมันจึงลุกเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะแกไม่ได้เรียนภาษาสมมติบัญญัติมา